อนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ138 1. ิภิกษุมุงเพียง 2-3 ชั้น 2. ภิกษุมุงหย่อนกว่า 2-3 ชั้น 3. ภิกษุมุงเงื้อมผามีประตู 4. ภิกษุตบแต่งถ้ำ 5. ภิกษุมงกุดียญา 6. ภิกษุมุงกุดีเพื่อภิกษุอื่น 7. ภิกษุมุงด้วยทรับตนเอง8ปภิกษุมงอาคารนอกจากนั้นยกเว้นอาคารที่พัก สองตน9กภิกษุวิกลจริต10ภิกษุต้นบัญญัติมหัลากาวิหาราศิขาบทที่9จบสองภูตคารรมวัก